การแข่งแย่งอยู่อย่างนั้นทําให้ผู้คุมได้โมโหโธโศเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้จับสัตว์นกที่ได้แย่งกันกินนั้นมาทำโทษต่างๆนานามีการใช้แส้วดลงไปบ้างใช้ค้อนทุบกระบาลบ้างเลือดไหลอาบเยิ้มต่างๆนานาส่งเสียงน่าเวทนาเป็นอย่างยิ่ง สัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะอดอาหารมานานนับเวลาไม่ได้เมื่อได้เห็นอาหารอันโอชะต่างก็เย้แย่งกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงกระนั้นผู้คุมเมื่อเห็นว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงได้ทำการลงโทษสัตว์นรกเหล่านั้น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 ดูแล้วก็เพิ่งจะเห็นว่าท่านนั้นมีจิตเมตตาตรงนี้แหละอาตมายินดีและก็โมทนาสาธุที่ท่านนั้นมีเมตตาต่อสัตว์โลกเหล่านี้เอออย่าอย่างนั้นเลยพระคุณเจ้าเอ้ยข้าว่าเจ้าก็ทำตามหน้าที่เท่าที่ทําได้อย่างนั้นแหละเออถ้าไม่ลงโทษพวกมันบ้างเลยสัตว์โลกเหล่านี้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 อย่างสุดเสียงภาพอันน่าสะพริงกลัวนี้ท่านพระมารายัยก็ได้ถึงอุทานออกมาว่าโอ้ทำไมทำไมท่านท้าพญายมราชถึงได้โหดเหี้ยมถึงปานนั้นท่านหลอกลวงให้เขาทานอาหารหรอกหรือนี่อ๋อไม่ใช่ อ, อย่างยายนั้นเลยพระคุณเจ้า อย่าได้มาโทษข้าพเจ้าเลยนี่แหละเป็นกรรมของเขานั่นเองจริงๆแล้วข้าพเจ้าได้เมตตาเพียงแค่นี้เองว่าไม่อยากให้สัตว์โลกเหล่านั้นต้องทำร้ายกันเพราะเหตุที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับผลกรรมที่ทานอาหารที่เป็นก้อนเหล็กไฟต่างหากเล่า เออเห็นแล้วก็น่าเวทนาอย่างยิ่งข้าพเจ้าทำได้เพียงแค่นี้แหละพระคุณเจ้าเลยสัตวลกเหล่านี้แต่ก่อนนั้นได้เคยทำงานเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนเออแต่ข่าวหลังกลับมาดุตริกวิชอบช่อชนเอาทรัพย์สินตรอจนข้าวปลาอาหารจากประชาชนมาใส่ท้องตนเอง โดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครหรือความเดือดร้อนของประเทศชาติเขาถือว่าอย่างไรอย่างไรในส่วนนี้ก็เป็นความชอบของเขานั่นเองเออแต่ไหนที่สุดผลกรรมมันนั้นทําให้พวกเขาเหล่านี้ต้องมองเห็นอาหารแล้วกลับกลายเป็นก้อนเหล็กแดงให้ได้รับโทษไทยอย่างนี้และพระคุณเจ้าเอ้ย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 ที่คดโกงต่อผู้อื่นก็ยอมได้รับผลกรรมแบบนี้และเออและก็นรกแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าอายโยคุละนรกประคุณเจ้าแล้วท่านยมพบาลก็ได้พาพระเถระเดินออกจากตลกขุมนี้เพื่อ ไปเดินชมนรกขุมอื่นต่อไปไม่ช้านักก็มาพบสวนมะม่วงซึ่งเป็นลานกว้างใหญ่มีต้นมะม่วงมากมายนานาชนิดมีทั้งใบหนาลูกดกแต่ที่แปลกก็คือช่างสวยงามกว่ามะม่วงในเมืองมนุษย์มากมายนัก ราวกับว่ามะม่วงนี้ถูกปลูกมาเป็นอย่างดีมีผลมะม่วงเป็นลูกใหญ่โตสีเหลืองอาลามสุกงอมหน้าและประทานเป็นอย่างยิ่งฉพันนั้นท่านโยมบาลพาพระเถระไปถึงที่นั้นแล้วก็มีสัตว์ลกกลุ่มหนึ่งวิ่งมาเบื้องหน้าด้วยกริยาท่าทางที่เต็มไปด้วยความดีอกดีใจราวกับว่าเห็นผลมะม่วงนั้น เป็นที่ต้องตาต้องใจเป็นอย่างยิ่งสัตว์นรกต่างๆเหล่านี้ไม่รอช้าในการที่จะหวังผลมะม่วงนั้นต่างรีบกุรีกุจอที่จะเด็ดผลมะม่วงอย่างมิทันที่สัตว์นรกเหน่านั้น จะรีปีนป่ายขึ้นไปบนกิ่งมะม่วงชพันก็เกิดลมแรงพัดอื้ออึงทำให้ใบของมะม่วงนั้นล่วงร่นลงมาในที่สุดใบมะม่วงนั้นก็กลับกลายเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบปลิวสะทัดเพื่อถูกต้องกายของสัตว์กเหล่านั้นให้ขาดวินไปใบมะม่วงนั้นได้กลับกลายเป็นมีดแล้วปลิวไปถูกแขนแขนก็ขาด เร็วไปถูกขาขาก็ขาดถูกศีรษะถูกลำตัวถูกอวัยวะต่างๆก็ขาดและเป็นบาดแผลลึกมากมายสัตว์นรกต่างๆเหล่านี้ต่างร้องไห้ครวนครางอย่างน่าสงสารเป็นที่สุดสัตว์นรกต่างๆมากมายต่างก็เรีบวิ่งหนี ใบมะม่วงที่กลับกลายเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบเหล่านั้นเมื่อวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มีกำแพงเหล็กใหญ่ลุกโชดช่วงด้วยเปลวไฟพุขึ้นจากแผ่นดินนั่นเองขวางกั้นพวกมันเอาไว้ไม่ผิดอะไรกับฝูงสัตว์น้อยในป่าที่ถูกนายพรานผู้ฉลาดสกัดกั้นทางหนีของพวกมัน บางพวกวิ่งเข้าชนกำแพงที่เป็นเปลไฟและเปลไฟนั้นก็รุกไหม้พวกมันบางพวกวิ่งหนีย้อนกลับก็ถูกใบมะม่วงที่เป็นมีดเป็นหอบเป็นดาบตัดลำตัวตัดแขนตัดขาอีกเช่นเคยและแล้วเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าใดๆก็เกิดขึ้น มีสัตว์นรกตัวใหญ่เท่าช้างสาลวิ่งตระกูเข้ามาเพื่อหมายจะงับเอาสัตว์นรกเหล่านั้นกินเป็นอาหาร